วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาของปีนี้การเข้าพรรษาก็มีความจำเป็นมากยิ่งกว่าเวลาธรรมดาเพราะไม่มีหน้าที่การงานหรือไปไหนมาไหนพอที่จะาขาดความภาคเพียร มีแต่หน้าที่การงานแห่งความเพียรอย่างเดียวเท่านั้นเทจก็ไม่ได้ถึงไหนแหละดังที่ปฏิบัติดังที่เป็นมานั่นเองหมู่เพื่อนก็ทราบแล้วภาระที่เคยทำมาก็ลดละไปหมดมีได้สามปีแล้วไม่ได้ให้การอบรมหมู่เพื่อนเลย ก็เพราะกาลังวางชามไม่เอาไหน้าตุเป็นไม้ ก, ก็กกายเป็นสูงทั้งท่อนขึ้นมาแล้วยกไม่ขึ้นมันหนักมันหมงวงทวงในธาตุในขันนี้เป็นประจำอยู่ตลอดเวลายิ่งจะทำงานพิการเทศนาว่าการด้วยแล้วก็ยื่หนักอื้นลงไปโดยลำดับ เพราะฉะนั้นทุกๆ ท, ท่านที่มาอยู่เวลาอยู่สถานที่นี้เป็นเวลานานก็มีหลายองค์ซึงมาอยู่ก็มีพากันตั้งอกตั้งใจประกอบความภาคเพียรมีทางเดียวนี้เท่านั้นที่เลิศเลอที่สุดในโลกอันนี้ไม่มีอะไรเสมอเหมือนคือธรรมซึ่งเรามุ่งหวังอยู่เวลานี้ พระพุทธเจ้าครองธรรมพระสาวกท่านครองธรรมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิสุทธิธรรมที่ท่านครองอยู่เวลปาปณิพานไปก็ไปด้วยความบริสุทธิเรียวกว่าวิสุทธิธรรมไปแล้ววิสุทธิจิตเปลี่ยนเป็นสมมุติกลายเป็นวิสุทธิธรรมไปแล้วท่านครองธรรมท่านไม่ มาคลุกเข้ากับกิเลสเหมือนเราเราท่านท่านตลอดโลกสงสารทั่วทั่วไปอย่างนี้พวกนี้เป็นพวกที่รุมร้อนอยู่ด้วยฟืนด้วยไฟคือความคร้คร้าว ข, ข, ของกิเลสเป็นอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาหาความสว่างสวัยหาความสงบโล่งเย็ยนไม่ได้ความดีดความดิ้ดน มากนี่ก็คือมีสิ่งให้พาดีตพาดิ้นมันหนุนอยู่ภายในใจความดิ้นก็ดิ้นไปเพื่อสิ่งเหล่านี้อีกเหมือนกันมันดันข้างหลังแล้วจูงไปข้างหน้าดินไปเพื่อสิ่งนั้นดิ้นไปเพื่อสิ่งนี้หวังสิ่งนั้นหวังสิ่งนี้มีตั้งแต่ธรรมชาติคือกิเลสนีจ้จูงไปโดยไถ่เดียว แล้วมันผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงอยู่ตลอดเวลาทำงานไม่มีหยุดยั้ยงเป็นอัตโนมัติเรียกว่าวัตจักรทำงานทำงานอยู่บนหัวใจสัตว์ไม่ได้ทำงานอยู่ที่ที่อื่นที่ใดแต่ทำงานอยู่ที่หัวใจสัตว์นี้ทั้งนั้นทำงานเพื่อตัวของมันเองเพื่อเนื้อเพื่อหนังเพื่อผลประโยชน์ของมันเอง แต่เราผู้ที่เราเคราะห์รับกรรมนั้นมันเป็นความทุกข์ความทรมานอย่างมากโลกทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าเป็นความทรมานอย่างมากยังมีความหวังต่อไปอีกว่าให้ความทุกข์ความทรมานนี้ลดน้อยลงแล้วจะเกียกตะกายไปด้วยอานาจของกิเลสอีกมันก็ยิ่งเพิ่มพูนไปไม่มีจุดหมายปลายทางเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่า มีแต่ความหวังเต็มหัวใจไม่รู้เนื้อรู้ตัวเกิดแล้วตายเล่าอยู่อย่างนั้นตายทับตายถมกันตลอดมาตายทับตัวเองตายทับถมกันมีมากต่อมากนานแสนนานประจำอยู่อย่างนี้ไม่มีจุดหมายปลายทางก็คือความเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกที่หมุนไปด้วยอำนาจของยิเรสนี่แหละ ถ้าไม่มีธรรมเข้าชุดลากไม่มีธรรมเข้าเป็นเครื่องสกัดรัดกัน้นแล้วโลกนี้จะไม่มีความหมายแห่งการพ้นทุกข์ไปได้เลยแม้ที่สุดความเบาบางแห่งความทุกข์ก็ไม่มีจะมีแต่ความดีความดิ่งเดืเอดร้อนบุญวายอยู่ทั่วหน้ากันอย่างนี้ไม่มีรายใดที่จะเล็ดลอดไปได้หาความหมายไม่มีถ้าไม่มีธรรมในใจแค่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราเป็นนักบวช เป็นผู้มุ่งหวังที่จะแหวกว่ายให้หลุดให้พ้นไปเสียจากวัฏจักรที่หมุนด้วยความทุกข์ความทรมานตลอดไปให้สิ่งสุดยุติกันไปได้ด้วยอำนาจแห่งความเพียรของเราไม่เช่นนั้นจะไม่มีวันหลุดพ้นไปได้เช่นเดียวกับโลกทั่วๆไป เราสงสัยอะไรเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องความทุกข์ความสมานของเราของเขาของสัตว์โลกทั่วๆไปดูตัวเราเองก็เทียบกันได้หมดทั่วโลกดินแดนไม่มีใครไม่มีรายใดผิดแปลกจากกันในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายมมุนเวียนสูงสูงต่ำต่ำรุ่มดอนดอนี้เคยเป็นมาหนี้ตั้งกี่กับกี่กันแล้วและยังจะเป็นไปอีกหาประมาณไม่ได้ถ้าไม่รีบถุดรีบ ลากตนออกเสือด้วยอาจด้วยทำในเวลาที่มีชีวิตเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เป็นนักบวชนี้เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วโอกาสก็เหมาะสมการประกอบความภาคเพียรก็ยังมีโอกาสอันดีงามสถานที่ก็ยังเหมาะสมอยู่ถ้าเราไม่ทําเสียเวลานี้ก็ไม่ทราบจะเอาเวลาไหนมาทําก็มีแต่เวลาของจิตเด็ดพัหมุนเป็นกองจับอยู่ตลอดเท่านั้นเอง ผมน่ะยิ่งแก่ลงไปทุกวันทุกวันสังขารร่างกายอ่อนลงหน้าที่การงานที่เคยทําการสงเคราะห์โลกก็สงเคราะห์ไม่ได้แล้วเวลานี้หมดกําลังวังทาความห่วงใยโลกยิ่งเป็นห่วงมากขึ้นไปโดยลําดับประหนึ่งว่าหมดหวังเข้าไปโดยลําดับลําดาเช่นเดียวกันในการสงเคราะห์โลกสิ่งสงเคราะห์ไม่อํานวย ก็มีแต่ความเมตตาก็เพิ่มขึ้นโดยลำดับสำหรับตัวตัวเองไม่มีความหมายไม่มีไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มุ่งหวังอะไรทั้งนั้นขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจผมเทศสอนมูเพื่อนมาได้สี่สิบห้าสี่สิบหกปีนี่แล้วตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มัน่นมรณาภาพลงไปมูเพื่อนก็เพิ่เลยตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ ยังบวกเข้ากับประชาชนญาติโยมทั่วประเทศสกีดแบนอีกด้วยพอสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยมาจนปัจจุบันนี้นี่ก็สุดวิสัยที่จะสอนต่อไปอีกแล้วจึงขอฝากธรรมะเครื่องระลึกไว้กับท่านทั้งหลายสําหรับตัวของผมเองที่สอนหมู่เพื่อนนั่นมีความหมายอย่างไรบ้างมีความแน่ใจประการใดบ้าง ผมไม่สงสัยในธรรมทุกจริงทุกอย่างในโลกอันนี้หมดสงสัยทุกอย่างแล้วพอหมดไม่มีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกแล้วความพอจึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีอะไรเสมอเหมือนคำ่าพอนี้เลยดีก็พอไม่เกี่ยวแล้วชั่วก็พอไม่เกี่ยวแล้วอยู่ในท่ากลางนั่นและท่านเรียกว่าความพอ <c oughs> พระพุทธเจ้าทรงทำอันพอ ทรงทำอันพอดิบพอดีพระสาวกท่านทรงทำอันพอดิบพอดีไว้แล้วในธรรมท่านกล่าวไว้ในสีบทบาทแห่งธรรมในธรรมจักรกัปวัตตนสูตรว่ายานั่นจาปานเมรัสนางอุดรปารีความรู้ความเห็นอันประเสริฐเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา อากูปาเมวิมุติความบุญพ้นของเราไม่กำเริบแล้วไยมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานัตถีดา น, นิปุนาโวบัดนี้ความเกิดอีกของเราไม่ไม่มีอีกแล้วในธรรมเหล่านี้พระองค์ประกาศความจริงของพระองค์เพื่อเป็นการชักจูง เบญจวัคคีหรือจะท้าทายความจริงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแกเบญจวัคคีทั้งห้าก็ได้ท่านแสดงไว้เต็มเม็ด เ, เต็มหน่วยทำสี่ประการนี้นั้นพระองค์ไม่ทรงขู่ขาดแสดงไว้เพื่อสัตว์โลกทั้งหลายพวกเราทั้งหลายที่ปฏิบัติอาธิธรรมดังที่พระพุทธเจ้าประทานธรรมะให้ มีความรู้สึกอย่างไรในธรรมสีบทสี่บาทนี้หรือเป็นธรรมที่สุดเอื้อมหมดหวังไปแล้วเหรอนั้นจึงไม่มีอะไรปรากฏภายในจิตใจของเราถ้าเราหวังในธรรมนี้ความภาคเพียรของเราก็ต้องเร่งรัดขึ้นไปโดยลำดับสติปัญญามหมุนกิ้วอยู่ในหัวใจยาเสียดายสิ่งใดในโลกนี้ ไม่มีสิ่งที่น่าเสียดายเพราะเป็นสิ่งที่เคยฆ่าเขาหรือครุกเขากันมาแล้วกับหัวใจดวงนี้ตลอดเวลาและยังจะเป็นไปอีกนับเป็นอนันตการหาประมาณไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องถุดลากออกจากวงแห่งกงจกักวัฏจักรนี้เสียเท่านั้นเราเสียดายอะไรความเกิดเราก็เห็นเขาก็เกิดเราก็เกิดเขาก็ตายเราก็ตายเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์สิ่งเหล่านี้มีเต็ม โลกเต็มด้วสารอยู่ไม่มีอะไรบกพร่องในโลกนี้ก็คือเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความทรมานของสัตว์โลกเราสงสัยอะไรเราเสียดายอะไรจริงไหมสนใจในธรรมเท่าที่ควรจะเปลี่ยนไปได้ในหัวใจของนักปฏิบัติเราความเลื่เลย อ, อะไรจะเลื่อเลยยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์พุทธโธแล้วทั้งดวงหมดแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้ คู่แข่งไม่มีนี่จึงเรียก ว, ว่าหมดแล้วคู่แข่งคู่แข่งก็คือกิเลสสามแดนโลกธาตุนี้เป็นแหล่งแห่งกิเลสทั้งปวงมีเต็มอยู่นี่แดนแห่งพระพุทธเจ้าประสาทวงศัตถิอยู่ไม่ใช่แดนแห่งกิเลสเหล่านี้เป็นแดนแห่งความชิ่นสุดยุติทุกอย่างขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้เลย ถ้าว่าเมืองก็คือเมืองพอพอทุกสิ่งทุกอย่างอดีตที่จะเกี่ยวข้องก็ไม่มีอนาคตที่จะหวังข้างหน้าก็ไม่มีปัจจุบันก็พอแล้วทุกอย่างนี่คือเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ถ้าว่าสมมุติตั้งเป็นเมืองเหมือนโลกที่มีสมมุตินี้ก็คือเมืองพอเมืองพอนี้ขึ้นอยู่กับใครทุกวันนี้ พระพุทธเจ้าประทานไว้เพื่อใครดังที่แสดงมาทำสี่บทสี่บาทนี้ถ้าไม่แสดงไว้เพื่อพวกเราทั้งหลายควรจะพิ่นพิจารณาให้มากการเวลาก็ผ่านไปครูบาอาจารย์ก็ล่วงรับไปล่วงรับไปเวลานี้เหลือที่ไหนไม่มีแล้วมีแต่ผมเป็นผู้ เอาหัวคําฟ้าไว้เท่านั้นเองมันจะโตมล ง, งเมื่อไหรก่ก็ไม่ทราบเพราะัวนเต็มที่แล้วเอาศีสะข้ามฟ้าเอาไว้ฟังจะว่าขําฟ้ามันจะทนทานได้แค่ไหนมันก็ไปถ้าท่านทั้งหลายลว่รีบจัดจวงเอาเสียตั้งแต่บัดนี้ก็ไม่มีทางธรรมะทั้งหมดผมสอนหมดไม่มีอะไรที่สงสัยในการสอนหนูเพื่อนด้วย แล้วสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาโดยลำดับด้วยได้เต็นเวลาได้สี่ถึหกปีจนกระทั่งยุติแล้วเวลานี้ไม่มีการแนะนำสั่งสอนอะไรอีกแล้วจึงฝากธรรมะประเภทนี้ไว้ให้ท่าน้งหลาดด้วยคิดสอนเรื่องความไม่สงสัยทุกสิ่งทุกอย่างพอหมดแล้ว ถ้าพูดถึงเรื่องตัวเราเองนี่เราพอทุกอย่างแล้วเราไม่หวังอะไรในโลกอันนี้สามแดอนโลกธาตนี้ไม่มีสมมุติใดเข้ามาแทรกในกจิตใจนี้ได้เลยเป็นใจที่พอแล้วโดยสมบูรณ์กาแนะนำสั่งสอนหมือเพื่องจึงสั่งสอนด่องความเมตตาล้วนๆสุดส่วนไม่มีอันใดเข้ามาเจือยลพนไม่ว่าสอนโลกสอนสงสารสอนผ้าสอนเนินสอนด้วยความเมตตาเต็มเม็ดเต็มหน่วย สุดความสามารถของตนไม่มีทางสงสัยในการสอนหมู่เพื่อนไม่มีแง่ใดสงสัยสอนด้วยความแม่นด้วยความแน่ใจทุกอย่างจะว่าแม่นยำก็ไม่น่าจะผิดถ้าไม่แม่นยำจะถึงเมืองพอได้ยังไงหัวใจดวงนี้หัวใจตร ง, งนี้ต้องก้าวเดินตามความถูกต้องดีงามถึงจะเจอเมืองพอได้นี่ก็พอแล้วในหัวใจเราไม่สงสัยสิ่งใดแล้ว อยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่จิตใจที่เป็นห่วงโลคห่วงสงสารเท่านั้นพอช่วยได้อันใดเราก็ช่วยเต็มกําลังความสามารถด้านอาจ ด, ด้านทําการแนะนําสั่งสอนทุกย่าวลาบากขนาดไหนก็ต้องได้ให้อวัตสั่งสอนเป็นประจําวันอยู่นั่นแหละแม้ว่าถูกเครื่องสมเคราะห์ก็เหมือนกันมีเท่าไรเราทุ่มทั้งหมดเราไม่เคยเสียดายเราไม่เคยมีอารมณ์กับสิ่งเหล่านี้นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่โลกใน ฐานะใดาก็ให้เป็นประโยชน์ตามฐานะนั้นๆที่พอจะเป็นไปได้เท่านั้นนอกจากนั้ น, น, นไม่มีนี่แหละที่ว่าจวนตายเข้าไปเท่าไหรยิ่งเป็นห่วงเพื่อนสูงและโลกมากก็เพราะอย่างนี้เองกำลังวังชาลดลงที่จะช่วยสงเคราะห์สงหาก็แทบจะไม่มีเข้าแล้วทุกวันทุกวัน แทนที่จะมาเป็นห่วงตัวเองกลับไม่ห่วงกลับห่วงโลกมากยิ่งกว่าที่จะมาสนใจกับตัวเองตื่นเช้าขึ้นมาจิตจะประวัติประวัติเกี่ยวกับเรื่องโรคเรืสงสารที่จะควรสงเคราะห์หนักเบามากน้อยเพียงไรแล้วอันที่จะมาคิดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันสุขภาพของตัวเองกาลังชํารุดทุดทรมลงเวลานี้เพีงจะไปไม่ไหวแล้วใบนี้เป็น ตายยังไงบ้างนีจะมาเป็นกังวลไม่มีไม่มีก็บอกว่าไม่มีเวลามีก็บอกว่ามีเวลาหึงเวลาหวงเวลาห่วงเรื่องร่างกายสังขารอันนี้ก็หึงหวงเต็มหัวใจมาแล้วเคยมาแล้วเวลาไม่ห่วงไม่หึงไม่หว ง, หวงก็ก็บอกว่าไม่หงึงไม่หวงหมดแล้วทุกสิ่งไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจดวงที่บริสุทธ เต็มที่นี่แหละเป็นใจที่อเลิศเลยที่ประเสริฐที่สุดในโลกอันนี้ไม่มีใครมองเห็นได้เลยสามแดนโลกธาตุนี้เป็นแดนที่กิเลทองทั้งนั้นทำประเภทนี้ไม่เด้คลองหัวใจโลกจึงไม่มีโลกใดอัศ จ, จรรย์จิตใจดวงใดจึงไม่มีจิตใจดวงอัศ จ, จรรย์มีจิตใจพระพุทธเจ้าจิตใจพระอรหันต์ท่านเท่านั้นเป็นจิตใจที่อัศ จ, จรรย์เลิศเลอที่สุดไม่มีอะไรเสมอเหมือน ถ้าเราจะเทียบจิตใจของท่านกับจิตใจของพวกเราแล้ว ม, มันจะเทียบอะไรก็เทียบไม่ได้ประหนึ่งว่าจะสุดวิสัยของของโลกนี้แล้วเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าที่นำมาสั่งสอนโลกเหมือนหนึ่งว่าโลกเอื้อมไม่ถึงห่างไกลกันขนาดไหนฟังสิกับธรรมประเภทนั้นประหนึ่งว่าโลกนี้เอื้อมไม่ถึงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้ใหม่ๆจิงทรงทอพระไัยก็ขอทรงโดนเอาหรือเจอ ธรรมชาติอัศจรรย์เกินสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วนี้ในขณะจัดสรู้ใหม่ๆนั้นซึ่งไม่ได้คิดเรื่องเหตุเรื่องผลกลไกลอันใดเห็นแต่ปัจจุบันที่ปรากฏระว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในใจใจด้วยความอาัศจรรย์นั้นเท่านั้นจึงทรงทอพระทัยในการที่จะแนะนำสั่งสอนจัดโลกและ ทำความความ้นขวายน้อยไม่อยากสอนสว์โลกว่าประหนึ่งว่าสูตรวิสัยที่โลกใดจะรู้ได้ในธรรมดวงนี้ในจิตประเภทนี้ต่อเมื่อพระองค์ได้ทรงพิพิจารณาเอาพระองค์เองเป็นตัวตั้งหรือตัวพยานว่าพระองค์เองก็ไม่ใช่เทวบุตรเทวดาอิมทรมเลิศเลอมาจากที่ไหนก็คือมนุษย์เราดีๆนี่แหละเหตุใดจึง รู้ได้เห็นได้ในธรรมที่ว่าสูตรวิสัยของโลกนี้รู้ได้เพราะเหตุใดก็ย้อนไปถึงปฏิปทาทางดำเนินเข้ามาสู่ธรรมบทสู่ธรรมจุดนี้หรือสู่ธรรมอันเลิศเลยนนี้เมื่อทรงพิจารณาถึงปฏิปทาแล้วพระองค์ทรงดำเนินอย่างไรก็ทรงแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกให้เป็นไปตามนั้นก็มีฐานะที่จะเป็นไปได้ เมื่อเป็นฉะนั้นจะมีแต่พระไทยที่จะต่งสอนสัตว์โลกต่อจากนั้นก็เริงยานดูสัตว์วโลกที่มาค้องตาขายมากน้อยเพียงไรก็ทรงทําหน้าที่แห่งความเป็นศาสด า, า, าตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งวันปรายิผ่านทำจึงเป็นนิสัยของโลกที่จะเป็นไปได้มีได้รู้ได้เห็นได้แม้ไม่มากก็มีได้พระองค์ก็ทรงสั่งสอนตามความได้มากได้น้อยนั่นแหละ เพื่อจะยกให้หมดสามแดนโลกธาตุนี่ดูดพ้นไปตามธรรมแห่งความบริสุทธิ์นั้นเสียดโดยชิ้นเฉิงแล้วเป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสนี่หนักมากที่สุดไม่มีอะไรหนักยิ่งกว่ากิเลสทวงหัวใจโลกให้จมอยู่ในวัฏจักรทั้งสามนี่การมมาพบรูปมพบอรูปมพบนี่เป็นแหล่งแห่งความกดทวงของกิเลสทั้งนั้นเป็นแดนปกครองของกิเลสธรรม ท, ที่จะมาหยิบยกออก จากแดนกดทวงของจิเดสนี้จึงได้เป็นลายลายไปเท่านั้นได้มากกว่านั้นไม่ได้เพราะจิเลสมันถึงมันห่วงมันห่วงมั น, นมีอำนาจมากครองไว้หมดไม่รายใดที่จะออกหนีจากเงื้อมือของมันได้เพราะฉะนั้นธรรมจึงแทรกเข้าไปในประเภทแห่งสัตว์โลกที่อยู่ปาก้อ คือผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมรให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างรวดเร็วก็ทรงแนะนำสั่งสอนประเภทนั้นประเภทนั้นก่อนก่อนอื่นเช่นประเภทอุคติตันยูผู้ที่จะรู้ได้เร็วที่สุดดังเบญจวัคคีทั้งห้าเป็นต้นนี่ก็ค่อยสุดลากออกมาฉุดลากออกมาได้ห้าแล้วก็ไปได้มากขึ้นไปกว่านั้นสิบไปถึงหกสิบถึงพันขึ้นไป เรื่อยๆตามประวัติที่ท่านแสดงไว้แล้วนั้นแล้วก็กว้างขวางออกมาโดยลําดับจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีพูดหลุดพ้นไ ป, ไ, ปได้จะเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าทรงหรือทรงฟืน้นทรงจุดทรงลากออกไปโดยลําดับมีจํานวนมากแต่ที่จะให้หมดจากวัฏวันอันนี้เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ก็มา หยิบมาถอดมาถอนเอาต้นลำที่ควรจะเป็นประโยชน์ที่ควรจะหลุดพ้นไปได้ฉะนั้นต้นลำได้เกลียร์ลายที่มีอุปนิสัยสามารถที่ควรจะหลุดพ้นไปได้ผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นไปได้แต่ก็หนุนอุปนิสัยปัจจัยของตนให้สูงขึ้นมาโดยลำดับเช<ๆ>่นพวกที่อยู่ปากข้อข อ, ขออกไปแล้วพวกที่ที่อยู่ในข้อขก็ดันกันออกมาดันกันออกมาตามอุปนิสัยสามารถที่สร้างไว้แล้วนั้นก้หนุนออกมาเรื่อยเรื่อยเื่อ ถึงไม่หมดข้อก็หมุนออกมาหมุนออกมาเรื่อยๆนี่ถึงไม่หมดโลกกระทับนี่ก็ค่อยหลุดพ้นออกมาออกมาจากปากคอกคือไตรภพนี่แหละเรียกว่าปากคอให้หลุดพ้นไปโดยลำดับธรรดาผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถก็หมุนกันเข้ามาผู้สร้างวาสนาบา ร, รมีคุณงามความดีก็สร้างอยู่ไม่หยุดไม่ถอยดังที่เราาท่านๆเห็นชาพูดเราบำเพ็ญอยู่นี่แหละ นี่แหละท่านเหล่านี้แหละเป็นผู้สร้างเหมือนกับว่าเป็นผู้หนุนออกมาที่จะมาออกมาปากข้อเพื่อหลุดพ้นไปเสียนี่พระพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุผลประการนี้เหล่านี้แเลยจึงทรงแนะนําสั่งสอนจารยโลกและประกาศธรรมสอนไว้เป็นแนวทางเป็นเสียงทิศทางเดินมาถึงห้าพันปีในพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้เพื่อรื้อเพืถอนจัดตั้งหลาย ถึงไม่มีมากก็มีน้อยมีอยู่จนได้ในเท่าห้าพันปีนี้ยังมีผู้ดีค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปโดยอะดับจนกระทั่งถึงจุดนั้นแล้วพระองค์ทรงเลญ ย, ยานดูแล้วว่าสุดวิสัยของสัตว์โลกที่จะเป็นไปแล้วศาสนาจึงหมดจากหัวใจของสัตว์โลกในระยะ น, นั้นไม่มีสิ่งใดติดค้างอยู่เลยในหัวใจคําว่าบุญว่าบาปว่านารกสวรรค์ว่าฮิวตะปะไม่มีในหัวใจสัตว์โลก มีแต่ความโลภความโกรธราคาตันหาเต็มเนื้อเต็มตัวหมุนติ้วอยู่เป็นเพลนเป็นไฟ <c oughs> เนียกว่าโลกอัสันดี <c oughs> สันดีสัตว์เนี่ยโลกหมดบุญหมดบาปในความรู้สึกแต่สร้างบุญแต่สร้างบาปอยู่ตลอดเวลาคือโลกของของสัตว์ประเภทนี้นี่ละธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าถ้าเราจะพูด ตามหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่ในหัวใจของแต่ละดวงระดวงของแต่ละท่านท่านแล้วไม่ใช่วิสัยของโลกที่จะรู้ได้เลยเรียกว่าธรรมนี้ไม่ใช่วิสัยของโลกที่จะครองได้แต่เมื่อพิจารณาไปตามบันไดาทางเดินมาจนมาเข้าถึงจุดนี้ก็เป็นวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้ตามได้อย่างพระพุทธเจ้าทรง ส, สอนจากโกเลื่อยมานั่นแหละ มีเราเป็นคนพระประเภทไหนให้ย้อนเข้ามาถามตัวของเราเองประเภทอุคติตัญยูนิปจิตตันยูหรือเนยยะหรือปทัพปรมามะเวลานี้เป็นขั้นที่สามกับขั้นที่สี่รบกันขั้นที่สามคือเนยยะว่าพอแนะนําสั่งสอนได้พอถูกพอไถแต่ขั้นที่สี่ปทัพปรมามะมันยลือดแยงแข็งดีกันอยู่กับเนยยะนี่ พอจะประกอบความภาพเพียงจะมีแต่ความเหลียวแหลกแวกแนวไปเสียนี้มันก็เปลี่ยนไปไมได้ปัทภะป ร, ะประมะเอาไปกินหมดเอาไปกินหมดในทางจงกรมก็มีแต่ปัทภะประมะที่นอนหมอนมุง้งอิยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนแทนที่จะเป็นในยยะนำตัวออกจากกองทุกข์ด้วยสติปัญญาและกลับกลายเป็นความไม่มีสติไม่มีปัญญาความเผลอเลอไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งความคิดความอ่าน ปูงแต่งต่างๆมีแต่ปัะทถาประมะเอาไปกินหมดไม่มีอะไรเหลือติดอยู่ในหัวใจเลยแล้วใครเป็นผู้เป็นผู้จะครองทำละก็มีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นมีอย่างเหลือถ้าจะรีบตั้ง อ, อกตั้งใจให้รีบเขียนนะตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้เราจะเห็นโลกใดเป็นของอัศจรรย์ยิ่งกว่าโลกยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี่เลิศเลยที่สุดแล้วจนประหนึ่งว่าไม่ใช่วิสัยของโลกที่จะเอื้อมถึงแล้ว ต่างกันทั้งขนาดนั้นแ ล, แล้วโลกยิ่งหนาเข้าไปทุกวันทุกวันเวลานี้หัวใจดวงนี้ละสังสมฟื้นสังสมไปเผาตัวเองขึ้นไปโดยลำดับนับวันทวีรุนแรงขึ้นเรื่อยๆความโลกก็มากที่สุดเต็มหัวใจของโลกทั้งท่านทั้งเราพอๆกันราคะตันหายิ่งรุนแรงยิ่งมีแต่เครื่องส่งเสริมมันรอบด้าน เต็มไปหมดทั้งๆที่มันก็เคยมีมาแล้วราคะตัณหาตั้งกับตั้งกันโลกสัตว์โลกนี่เกิดก็เพราะอานาจแห่งราคะตัณหาไม่ใช่เพราะอะไรก็เกิดมาแล้วกีกับจีกันน่าจะมีความชินชากันบ้างแล้วกลับกลายเป็นความตื่นเต้นอยู่กับมันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันถึงได้สนุกเผาเอายมเป็นเท่าเป็นฐานความโกรธก็ออกมาจากราคะตัณหาไม่สมใจก็โกรธ หัวแม่ที่ถูกหัวก็เมียยังฆ่ากันได้พิจารณาที่นี่แหละมันพริษจากราคาตันหามันก็เป็นโทสะขึ้นมาปัทุสลายฆ่ากันได้แล้วหนึ่งเนี่ยโลกทั้งหลายจมอยู่กับอันนี้วิเศษวิโสอะไรพิจารณาที่สิ่งเหล่านี้เคยมีมาตั้งกับทั้งการตื่นเต้นมันหาอะไรนานให้ดีเรื่องของสิ่งเหล่านี้ไม่เอี่ยมตลอดเวลาในหัวใจของโลกโลกจิ่งได้ตื่นเต้นตลอด ไม่มีความชินความชามันหมุนของมันอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นถ้ามันจะทําเข้าไปสกัดลัดกั้นแล้วจะไม่มีทางออกเลยตายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละเฉพาะอย่างยิ่งคือนัก บ, บวชเรานี่เป็นฐานะอันดีอย่างยิ่ ง, งแล้วที่ควรจะบําเพ็ญธรรมเหล่านี้เข้าสู่หัวใจได้ แล้วทำไมมันถึงเป็นไปไม่ได้นี่เทศไปเทศไปก็รู้สึกหน่อยแล้วเอาละวันนี้เทศเปลี่ยนตนนัวนี้มันรู้สึกแล้วไม่ถึงไหนวันนี้ต้องมีอะไรกวนมากหยุดไปเป็นพักๆเอ๊ะเทศยี่สิบนาทีครับไม่ถึงยี่สิบนาทีหน้ามันก็รับมาได้เลย เพรายุคเท็จยังไงก็อย่างนี้แล้วพูดจะเสะปสพสป่าไปอย่างนี้พอมาค่อยจะจะหมดลมหมดลมหายใจแต่ควายมนเป็นอย่างนี้ไมมึงเพื่อนก็เห็นแล้วอยู่ด้วยกันมาสักเท่าไหร่ปีเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วแม้ว่าไม่ไม่อยากเล่นกับอะไรเนะเดี๋ยวนี้นะมันสุดมันสิ้นเข้ามาทุกอย่างทุกอย่างเหมือนกับ ดึงจอมแหที่ตากไว้เนี่ยหดเข้ามาหดเข้ามาก็มากองอยู่เป็นกองแหอยู่ในใจดวงเดียวนี่อะไรอะไรมันก็ออกมันปล่อยไปหมดมันยังเหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นนเหนื่อยหยุดแล้วมังจะตอบต้นไมท้ทกานจะตอบยะสมเด็จพระนาร่านอนะาบอกว่า ทีนี้สุขภาพสังรุจเต็มที่แล้วมันจะเทศไปไม่ได้แล้วบอกนาขั้นก็อยากนั่ไปตลอดเวลาเราก็เห็นใจั่งนแต่ในขนาดเดียวกันเราไม่เชื่อเราเชื่อไปสับเปลดสับเปลก็ไปวิอย่างนี้หรอจว่าไ ง, า ง, า ง, างขั้นอยากนไปอาการสั้พันก็ อยู่เนื้อรรทําพิเศษการนะั้นคิอว่าเป็มกสิแอ่ผู้ฟังอยู่มากไม่น้อยประการที่สองก็คนมากวัดน้อยนาคแง่งหมดนะวัดนอนาคมันไม่กว้างนะนั่นแหละเต็มหมดเลยนะคนมีอยู่ดังนอกเรานั้นยันงนนฟังได้เพราะเครื่องกระจายเสียงประกราศลนะั่นกันหมดวันเทศเมาท่านก็พอใจอ น, นี้องนะี้น ก็คนมากทันถึงได้หยับหยับได้ไป mm hmm. เพราะว่าอาจารย์หาว่าจะมาเทศนยงมันก็ตื่นกันแล้วมีงลูกิษยหาหนึงเทียหูกลางแท้ตั้งแต่ตงนี้ผิดเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยถ้าขันหดเข้ามาแล้วเหมือนหนูไม่มีอะไรในโลกว่างไปหมดเลย คาดถังไม่ออกไม่แยกออกไปคือคาดขังมันก็ขี้เกียดของมันมันไม่แยกออกไปพาดสิ่งก็สิ่งนั่นสิงนี้มันหกเข้ามายโลกนี้เลยเป็นสุญญากาศไปหมดอย่างโตัวโลกรังเวีคาสูโมฆะลายโมฆะลายอะไรโมคะลายสดาสโตโมฆคราชโมคะราชายสดาสโตดูก่อนโมคะราชคือตรงดู มีสติดูโลกเขาเป็นของว่างเปล่าถอนอตจารู้ที่ิตเสียได้แล้วก็โลกเป็นของวาง่างเปล่าถอนอาจารย์วิชิตดูความเห็นว่าตนว่าของตอนนั่นแหละถอนเอาแล้วโลกนี้เป็นของวาง่างเปล่ามันว่างจริงๆนไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายใ น, นใจตั้งแต่วันมันเจอวันเจ อ, อกันแต่ทำมทันคืบวานี่มา แต่ขันทางานของมันได้สะดวกสบายแต่ก่อนเพราะนีทั้งที่ธรรมชาตินี่ว่างตลอดแต่ขันมันก็ประสานทำงานมีได้อยู่อันนี้อดี๋ยนี้ขันอันนี้มันไม่ออกความเพรามีแต่นนความว่างเพราะอะไขันนีไม่ออกประสานกับสิ่ง น, นั้นสิ่ น, นี้มันขี้เกียจมีนหดเข้ามาหดเข้ามาสุดท้ายอยู่แต่ความรู้อย่างเดียวว่างนะ คำ ว, ว่างนี่มันก็ะยาบนะแต่มันไม่มีสมมติที่จะมาตั้งให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นได้กล่วาวว่าจะว่างเอยมันยังเลยว่างก็อีกข้าว่าจะสมมติได้มันก็จะสมมติได้อยูว่ามันยังละเอียด ก, ก็คำว่างไปอีกมันหมดสมมุติขั้นสมมุติแล้ว คิดอย่างนี้นไม่คิดอยู่ที so ่ต th er. ั <ru> ้งแ right no <ru> ั้นทหารนี่สมองกีพวกกีวานอะไนี้เลอะเทอะไปหมดเลอะอย่างเนี้ยอืแต่ความมันมันเป็นเมื่อไรมันไม่เปลยนกีวานนี่ศัปท์ศพเลอะเทอะดำดำดังๆอะมันไม่สนใจอะไรนี่นะมันไม่อยากสนใจขนาดนั้นล่ะคิดเอาเถอะถึงว่า้ะมันแล้วนะมันหดเข้ามาไม่ยังสนใจอะไรทั้งนั้นดูก็อยู่ไป แล้วเข้าแม่ตาของไม่รุนละแม่ตาเนี่ไม่อ่อนไม่อ่อนเหมือนขันแม่ตาอยู่กับใจดวงนั่นแหละเวลาผมตายแล้วทาไงพวกท่านจะโคโลโคโศไปตัโโโโ้ตงแต่อยู่นี้ก็ยังโคโลโคโศเห้นพระไปเพื่นผารานา น, นอกวดัดอยู่เรื่อยๆ มันเคลื่อนผ่านเค็ื่นผ่านนะพระในวันนี้ออกไปน่นออกมานี้เดยไม่บอกน้ักสาวเลยมันมันเลยเถิดเลยนะยิ่งไปไหนไปหาไม้หาที่ไหนอย่างนั้นเหรอมันเลยเถิดไล่ไปแล้วมกลับมาอีกนี่นี่เราอารมณ์เต็มที่นะไม่งั้นขับวันนี้เลยนะให้หนีเวลาวันจะเข้าพรรษามีเรื่ยซ้ํายูนะนิสัยสัตดานเป็นมันเคยเป็นมันเป็นอยู่เรื่อยท่านองคนี้เคยเป็นมีเรื่องหลายเรื่องอยู่ เงียนะมีสายสันญาณมันจะอย่างนี้นะมันเคยมีมันต้องแสดงออกเรื่อยๆจำไม่ดีนะที่พูดผ้าซเปนเปลสนันทันเราไม่เามาอ่อเลกดูแลผ้าเนี่เหมือนแต่ก่อนมนเราดูขันดูของมันก็โซฟาโซา่เนี่ยก็จะไปทราบจะไปดูอะไรเดินไปเดินมาใครก็รู้มองไปมันก็เห็นอยูนะ่แ เงินไปเงิม า, มา ก, ก, ก็โัดโซเทเลยก้มขึ้นลงก้มลงไปเงยขึ้นมาก็น้ามึนไ่เดี๋ยวจะไงาหลังลงไปถ้าระวังก็ต้องมีอยู่กับประจำขันไม่งั้นพลาดจนได้นะเพราะขันเวลานี้มีคอยแต่จะฟลาดท่าทั้งนั้นต้องมีสติประคองกันสตินี่ก็เป็นสมมุติรรามาชาติกับขันก็เป็นสมมุติด้วยกันมันเป็นได้ทุกเวลา สิงที่ผมวิตกมากเวลานี้ก็คือขึ้นเทวทัศน์โทรทัศน์วิดีโอแล้วอย่างไมรแล้วนะยังมาสามกษัตริย์เขาอีกบวกกันเทวทัศน์โทรทัศน์โอเทวทัศตโทรศัพ ท, ท, ท์มือถือนี่อันหนึ่งอย่างนี้เต็มวัดเต็มวาเลยนะเต็มพระเต็มเนยแล้วอันนี้สูงสุดเลยจะเป็นโทษถึงที่สุดได้อันนี้นะอันวิดีโอ น, นั้นเป็นความปลุก พิเรศราคาต่างหาให้กําเลือกเกิดสารแล้วก็ไปถึงที่สุดเหมือนกันพวกเทวทัศน์พว ก, ทวทพวกอันนี้ทําให้เพลินไปเรื่อยๆพอถึงขั้นวีดีโอแล้วก็เป็นเครื่องหนุนให้ราคาตัางหากําเลือกเกิดสารแล้วก็เป็นบ้าระสดัร้อนแล้วตัวเทวเทวทศันทศน์มือถือเนี่ยคือโทรศัพท์มือถือเนี่ยนี่ตัวหนึ่งคุยกันได้กับอีสาวอืถึงที่สุดได้ นัดกันเข้าโรงแรมไหนก็ได้เข้ามา่านรูดที่ไหนเข้าพุ่มไม้พุ่มไหนก็ได้อันนี้นี่ก็ถึงที่สุดได้เหมือนกันหน้าวิตกเกินสามประการนี่แล้วไม่พ้นที่มันจะเข้ามาเหยียบหมอ้อผนะ้าเนียนแล้วเราอะไรแล้วที่ไหนเราก็ไม่ค่อยสนใจมากนะักยิ่งกว่าในวงปฏิบัติสายข้าแม่ครูจาย์เราเนี้ยเดี๋ยวนี้มันก็มีแล้วนะเทวทัศน์มือถืออย่างนีแล้วจ่ออยู่ในย่ามเลย น, นะ พระเถระผู้ใหญ่ก็มีแล้วเวลาน้ยโหน่าทุเรียดจริงๆนะมันขอเล่นเมื่อไหร่นี่พิจารณาทุกอย่างพูดออกมาจะผิดที่ตรงไหนอ่ะอันนี้เดละขาดถ้าพูดถึงเรื่องสามอย่างพูดเกี่ยวกับเรื่องนักปฏิบัติหรือว่าพระเราพูดอย่างไรว่าพระเรารวมแล้วว่าสามอย่างนี้เอาขาดสะบั้นไปเลยการรักษากต้องเอาแบบขาดสะบัน้นถ้าไม่รักษามันก็เอาเราขาดสะบัน้น สามอย่างนี้เขาเป็นเรื่องใหญ่โตมากคือเดี๋ยวนี้กําลังลุกลามเข้ามาลุกลามเข้ามานี่แล บ, บที่เหตุตีตลาดดูเอาถ้ายังไม่เห็นดูเอาต้นเหตุมันก็นมาไฟฟ้าเสก่อนเดี๋ยวนี้ไฟฟ้ามาันไฟฟ้ามันก็มาได้เข้ามาได้ทุกแบบเดียวไฟฟ้าที่ผมก็ห้ามมาตั้งแต่ต้นแล้วนี่ก็คิดแล้วถึงห้า ม, มว่าไงนูน่นเขาจะเอาไฟฟ้ามาจากโรงแต่ ก, ก่อนไฟฟ้าโรงนะยังไม่มีไฟฟ้า เขื่อนหมือนทุกวันนี้เขาจะเอามาเลอยเคียวเอาเข้ามาหลายวันนี้เพราะเขาผู้จัด ก, การนั่นเป็นหม่อมราชวงศ์ดำรงวุฒิก็รบเรื่องสายวัดนี้มากมีครอบครัวครอบครัวเป็นคนหนองคายแล้วมาเป็นผู้จัด ก, กา ร, รงกสงฆ์ท่านนี่จะเอาเข้ามาผมบอกผมไม่เอาอ่ะเขาบอกนั่นเลยบอกเด็ดขาดเลย เพราฉะนั้นไฟฟ้ามันจะเสียบ ม, มาตรงไหนตรงไหนจริงไม่เอาอันนี้เพราะไม่เอาด้วเหตุผลต่างหากว่าฉัไม่เอาเพราะความไม่มีเมื่อมีแล้วก็จะเอาอย่างนี้เราไม่คิดหน่อยเราคิดด้เหตุผลเนี่ทางหนะ้าทุกคนนะเทวทัศนมือถืออย่างโทรศัพท์มือถือเนี้ไอ้วังเลือดขาดเลยนั่นนี่นะก็อันนี้เข้ามาแล้วเสร็จนี่แหละสามประการที่ว่าเนี่ยเทวทัศน วิดีโอเทวทัศน์มือถือนี่เดี๋ยวนี้เริ่มเข้ามาแล้วเทวทัศน์มือถือคุยกันได้ ส, สบายสบายเลยไม่ว่าที่แจ่งสิรรับคุยกันได้อย่างสบายคุยกับข้าสึกที่งมันสังหารข้ขอขาดบาดตายโอ้ผูนนนน้น่าเกลียนเนี่ยู้มหน้าด้านหน้าด้านจริงเทวทัศน์สู้ไม่ได้แนละ้วพระเรา ถ้าลอันนี้เข้ามาเลยมือแล้วเสร็จเลยละ่ะหมดอาภาออนั้นไม่มีความหมายเลยหนึงเข้ามาวันนี้ไม่ได้เลยขนาดทันทีเอาขาดตะ บ, บานไปเลยนะขับจริงๆเราไม่ให้เขามายุ่งเลยนะถ้าเอามีอันนี้เข้ามาเอาขนาดนั้นไม่งั้นไม่ทันกันเพราะอันนี้เป็นคอขาดบาดตายจริงๆไม่ใช่ธรรมดาเรื่องใหญ่โตมากโทรศัพท์มือถือเนี่ยเนี่ยตัวเจ้าชู้ขุนนาง เริ่มขึ้นตรงนี้ก่อนแล้อยู่ตรงนี้อ่ะคุยกบับผูหญิงได้ทั้งวันอ่ะให้ใครให้ทําความเฉดลาไว้ตั้งแต่บัดนี้นะคําพูดเหล่านี้อ่อพูดทิ่ผมพูดนี่อได้พิจนาเต็มหัวอกแล้วจะพูดออกมาให้หมูข่้นฟังด้วยความไม่ตตาสงสารกลัวจะคอขาดเน่ให้รู้เนื้อรู้ตัวใชตั้งแต่บัดนี้นะถ้ามาอยากถ้าถ้ามาอยากคอขาด เนี่ยศาสนาหมดหมดไปอย่างนี้แหละเวลานี้เราอยากจะพูดว่าพุทธบริษัทคือภิกษุบริษัทนี้เป็นอันดับแรกอันดับหนึ่งที่ทำลายศาสนาอยู่เวลานี้เราไม่อยากบริว่าบริษัทใดในสีบนบน่บริษัทนี้เพราะบริษัทนี้ภิกษุบริษัทเนี่ยกําลังเวลานี้กําลังเป็นข้าศึกใหญ่ในศาสนาพุทธของเราเองอเพื่อทางนักบวชของเรานี่แหละ เป็นผู้ทำลายอย่างเด่นชัดทีเดียวเชัดเจนที่สมากหยาบโลนขึ้นทุกวันทุกวันเรื่องนี้สาคัญมากนะเรือ่องอวิชชาปฏิยาสขาราอ่ะออวิชชาเนี่ยเป็นกันเดียวกับใจเสียด้มันมันกลมคืนกับใจเป็นกันเดียวกันเลยเนนะี่ยเหมือนกับว่ามันกำจัยไว้อย่างนี้มันอยู่ข้างนอกใจอยูข้างใน เ, นเหมือนเวลามันแตกกระจายออกใจเป็นจ้าวมา ตัวนี้ตัวผ้า่่เกิดตายดูอริยสัตวจนี้วมันชัดนี่ชัดดีๆแล้วพูดจริงๆชัดชัดเจนชุดฉีดว่างั้นเถอะก็นี่แตกกระจายไปเลยว่านี่ยังมาอะไรมาสื่อต่อกันนะวิชาปฏิยาสังฆร า, าสังฆร า, าปฏิยา อันนี้ผู้พิจารณาเราจะพิจารณาต่อกันไปงั้นน้อยตายเลยสรางขันวิญญาณนำลูปสลาจุณะตลาดนัพ้พระอวิชาคําเดียวเท่านั้นกระเทือนหมดเลยอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดอันนี้อันนั้นนั้นนันนน้พร้อมกันเลยนี่ท่านเลี้ยงไปอย่างนั้นนี่เฉยที่นี่ผู้พิจารณาจะพิจารณาไปอย่างงั้นตายทิ้ง มีทางรู้ยังเขาทําวาดรูปอวิชชาไว้ว่านอนานผมไปเห็นเลยเฮ้ยว่ะสมเด็จท่านไหนผมดูผมไม่ดูว่างอยู่เลยท่านจนมองหน้าผมอวิชชาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะว่ะว่างอ่เลันมีวาดเฉยๆวาดเรื่องอวิชชาอวิชชาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะว่ะว่างอย่าู่แล้วผมพูดยังกล้าหานไปว้เลยตะโกนเด็จโลกบักนี่ ก็มันตีของมายังว่าเนยคืออัะไรๆวุ่งกว่างมันตีของม้าตีเของมาไล่ของม้าตะล่มเของมาตีของมาไล่เของมาเหมือนกับเราวิดน้ำปลามันอยู่ในน้ําไม่เห็นพอวิดนามลดลงลดลงปลาก็รวมตัวเข้าไปรวมตัวเข้าไปอวิชามันก็เหมือนกันะลัทธิหนีของอวิชามันออกกว้างขวางเนี่ยพอตีก็ไปตีก็ไปหดเข้าไปหดเข้าไปจนกระทั่งถึง ลูกก็ตีเข้าไปแล้วนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตีเข้าไปที่เสียงรูปเสียงดินรดเครื่องรถไฟมันเกี่ยวกับเรื่องร่างกายมันก็ตีนั่นตาหูตากับลูกหูกับเสียงนี่มันตีมาพร้อมๆกันตีเข้ามาตีเข้ามาไล่เข้ามาจนกระทั่งร่างกายหมดความหมายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตีเข้ามาตีเข้ามาไล่เข้ามาตรงไหนมันไม่ไม่ไม่ไม่ใช่กิเลสเนี่ยเห็นมันชัดขนาดนั้น นายสงสัยที่ตรงไหนมันไม่ใช่กิเลสจริงๆนี่เครื่องมือของกิเลสทางเดินของกิเลสต่างหากมาไล่กันไปแล่กัไปวิชาไม่มีทางเดินเมื่อกังวลก็ไปสู่จิตเลยสิก็ไปอยู่เป็นจิตอันคมคืนก็บจิตรวงเดียวกลมเกลืคค่อนอยู่นั่นมันฟาดนั้นแตกกระจายไปอยู่นนั่นมันถึงแล้วจ้าอะไร่ยแล้วก็พูดแต่มา น, นี่ยพูดไม่ได้นะ พูดเต็มตามภูมิของจิตดวงนี้เทียบกับโลกเนี่ยมันพูดไม่ได้มันก็พอพูดได้อย่างาประหนึ่งว่าไม่ใช่วิสัยของโลกที่จะรู้ได้ว่างั้นนี่ที่พระุทธเจ้าทรงพ่อพระไทยถ้าดูแต่อันนี้แล้วไม่ไม่ใช่วิสัยของโลกที่จะมารู้ได้ลอค่อยดูตามสายทางเข้ามาจะมีเล็เลเลดลอดมาได้มาได้มาได้ไดฟังก็ว่าเล็ดรอดมามาเห็นได้รู้ได้ เลยมากมากไม่ได้เครัเจ้าทุกพระองค์ที่ตัดทะูุแล้วก็เอาอย่างนี้อ่ะหรือถอนทนสัตว์อย่างแบบเดียวกันนี่ออกเรื่อยๆเจ้าของมากไม่ได้วิชามันห่วงขันมันขันมันกระเพื่อมมันดิ่นเหมือนกันนะขันมันกระกเพื่อมเมื่อเจอแดนอัศจรรย์นี้แล้วขันมัน มันกระเพื่อมมันดิ้นมันตื่นเต้นนั่นแหละตื่นเต้นเรื่องขันนั่งล่างนะ่ะมันตื่นเต้นในครัง้งอุตการท่านแสดงไว้ว่าพระกินาโศกท่านองค์รงธรรมสังเวชเป็นน้อตาร่วงขันขันก็ขันก็นกเพื่ ม, มนี่เป็ความตื่นเต้น้ะไร ในวงขันเอาเจอต้งมาสะอาแล้วขันก็มาขุ่นเช่นน้ำพระเวณร่วงพระพุทธเจ้ากับน้ำพระเวตีร่วงภาษาวกก็น้ำน้ำตายร่วงจะไม่ร่วงยังไงเปิดมากี่กับสีกการไม่เคยพบมาพบอะไรตังๆัง มีเปนี่ยมเป็นแต่มันมาอัตโาานมัติท้งที่ว่าทํทายทอยู่ที่ไห น, ออนห ท, หทํนายทอยู่ที่ไหนพอมาเจอนี้แล้วนะหาทําหาที่ไหนทําอยู่ที่ไหนที่นหาแบบกดเ <c oughs> ข้าปาเข้าเขาในท่าหงมผาถูกอยู่ในขั้นนั้นแต่เวลาเจ อ, อนี้แล้วมันปัดกันหมดเลยทําอยู่ที่ไหนาทาอยู่ไหนคึก คือเมื่อเจอนี่แล้วหาทางหาที่ไหนมันคนโทษอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนโลกเรานุกวันหนาขึ้นทุกวันแต่ทำยังไงนี่อันหนึ่งหน้าอิ น, าอา น, นหนาใจนะโรกนี่หนาขึ้นทุกวันทุกวันเรายิ่งสนุกดูถ้าว่าสนุกนะ เขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากสิ่งใดแล้วว่าสนุกดูมันก็ไม่ผิดดูเป็นอิสระอยู่วะโลกดิบโลกดินโลกวุ่นวายนี่ไม่ไมีแต่ธรรมชาตินี่เท่นั้นนะพัดผันหัวใจถ้าทัานม่าน่าอะไรก็ตามหาความสุขไม่ได้นะถ้าไม่เอานี่ ม, ม้วนเสือลงไปให้ดัง น, อน้อยให้สงบให้รู้เนื้อรู้ตัวบ้าง ความรุ่ก็จะอ่อนตัวลงความโกรธราคาต่งหาก็จะอ่อนตัวลงแล้วพออยู่ได้เป็นไฟในเตาอย่างว่านะไม่ใช่ไฟนอกเตาแบกลุกรามอันนี้มันมีตัวไฟนอกเตาที่แบบนี้ยลูกรามเลยมาดูกันมันดูแบบรวมๆแรงๆดูเผื่อๆดังเผิ่มเห็นเขามั่งนี้ก็อิจฉาอิสยาหหรือ อาชจันทร์เขาบ้างอะไรบ้างตื aman, ่นเส้นตึ่นบ้าของเขาไงมันเขามีวิปลาบรรนลาสางมากก็เอาดีไงแ่ในเรื่องเรื่องไม่ดูหัวใจของเขาหัวใจของผูกคลองยศคลองรากคลองสมบัติมากๆนั่นมันเป็นยังไงนั่นดูเข้าไปตรงนั้นมันโอ้พังละแล้วหงายเลยมันเหมือนแต่เรายิ่งร้อนกว่าคนเราธรรมดานี่พูดทันมันเต็มจับเลยให้มันเต็มตามความรู้สึก ืแล้วตื่นอันท้าอะไรมันก็มีความมั่งมีมากเท่าไรยิ่งทุกข์มากเรื่องมากทุกข์มากมันทุ่งอยู่กับเรื่องนะไม่ได้ทุ่งอยู่กับสมบัติเงินทองก็เ ข, ของมีมากนะมันทุ่งอยู่กับเรื่องมากเรื่องความควบคุมเรื่องกรรมสิทธิ์เรื่องอุปาทานทรับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นในเรื่องแล้วก็เข้ามาจีบอาถาเข้ามายุ่งอยู่ในนั้นมันเป็นกองคุนอยนั้นมาก กถ้าบรรดาศาสก็เหมือนกันลืมเนื้อลืมตัวมมมมเมื่อมีเรงมากเขถ้าไม่จะเลื่อนของพิเศษทางนั้นพาให้เป็นมันจะมรรูุตัวได้อย่างไรลืมเนื้อลืมตัวจนก็ต้องลืมศีลลืมธรรมว่าสิ่งอย่างนี้ใหญ่กว่าศีลกว่าธรรมไปซะแล้ว่ณเวลานี้เป็นอย่างไรนะเป็ยเจ้าเป็นนายเป็นนึกถ้าบรรดาศาสตร์ใหญ่แล้วเหมือนกับว่าธรรมี่เป็นของเรื่อง โน้ดูแล้วมันสะกดจังเวทนะผมผมมจริงดูจริงสะกดจังเวทนะถ้าจ ะ, สะแสดงให้เห็นตามนั้นแล้วมันดูไม่ได้กว่างั้นเลยใหญ่เท่าไรยิ่งดูไม่ได้ดูตามหลักความจริงทั้งใหญ่แต่ลมป่ากเฉยใหญ่หแต่ลมแต่แย้งใหญ่แต่ความสําคัญเฉยความจริงมันไม่มีทั้นมีแต่ไฟเผาอยู่ในหัวใจ เราไม่ได้ดูถูกโลกโลกเป็นอย่างนี้โลกเขาโลกเราเป็นอย่างนี้ดูตามโลกเขาโลกเรานั่นแหละจะเป็นอะไรไปมันเป็นอย่างนี้จะใช้ว่าอย่างไรแล้วกันจะเรียกว่าช้ำหรือต้องดูตามความจริงพูดตามความจริงด้วยเรียกว่าช้ำหรือเลี้ยงมันก็ไหนกลัวมันหลอดพิเด